ข้อปฏิบัติของศีลบารมีนี่นะมีอยู่สองอย่างคือวารีตศีลศีลเกี่ยวกับการงดเว้นจากบาปอกุศลธรรมทั้งหลายกับจารีตศีลการประพฤติการปฏิบัติทั้งหลายในต่อจากครั้งที่แล้วคือว่าผู้ที่จะปฏิบัติรักษาศีลโดยเฉพาะพระโพธิสัตว์ที่ปฏิบัติรักษาศีลเพื่อโพธิญาณ น, นั้น การบอกว่าจะต้องศึกษาเรื่องศีลให้ละเอียดให้พิสดารให้เข้าใจอย่างดีตามแนววิสุทธิมรรคซึ่งวิสุทธิมรรคนั้นเป็นการเรียบเรียงเพื่อสาวกทั้งหลายก็จริงแต่สาวกทั้งหลายลักษณะอัธยาศัยของสาวกก็คือมุ่งที่จะนําตนออกจากวัฏฏุกข์มุ่งที่จะนําตนให้บรรลุมรรคผลผนิพพานส่วนพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ท่านมีกรุณาเป็นเบื้องหน้ามีกรุณานำหน้ามีความเป็นผู้ฉลาดในอุบายตั้งความปรารถนาว่าถ้าเราพ้นทุกข์แล้วก็จะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วยผนพระโพธิสัตว์ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์นั้นจะต้องรอบรู้ในเรื่องศีลเป็นอย่างดีเพื่อเป็นรากฐานแห่งการปฏิบัติ ซึ่งเรียกว่าต้องตอบคําถามตามแนววิสุทธิมรรคได้อย่างอย่างดีว่างั้นแล้วก็ปฏิบัติได้คําถามเกี่ยวกับศีลอย่างเช่นว่าศีลคืออะไรศีลมีอัฏฐะหรือมีความหมายว่าอย่างไรอะไรเป็นลักษณะของศีลอะไรเป็นกิจของศีลอะไรเป็นความถึงพร้อมแห่งศีลอะไรเป็นผลที่ปรากฏจากการรักษาศีลออะไรเป็นเหตุใกล้แห่งศีลถ้าไม่รักษาศีลแล้วมีโทษอย่างไรถ้ารักษาศีล แล้วมีคุณอย่างไรเศรษเนี่ยถ้าแบ่งประเภทแบ่งได้ไหมเศรษนับหนึ่งนับสองนับสานับสี่ได้ไหมเศรษนับผ้าได้ไหมแปลว่าแบ่งประเภทจัดหมวดหมู่ของเศษได้ไหมแล้วศีลเหล่านั้นเนี่ยนะถ้ารักษาอะไรเป็นความเศร้าหมองเีษเนี่ยเศร้าหมองเพราะอะไรทําไมเีษจึงเศร้าหมองถ้าจะรักษาศีษให้บริสุทธิ์หมดจดเีลจะหมดจดได้อย่างไรเนี่ยนะเพราะอันนั้นแหละเรียกว่า เป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องสีในวิสุทธิมรรคซึ่งผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหลายเพื่อบรรลุมรรคผลเนี่ยจำต้องศึกษาปฏิบัติเช่นนั้นอยู่แล้วแต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตท่านเหล่านี้จะต้องศึกษาเป็นอย่างดีศึกษาเป็นอย่างดีแล้วเอามาเป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อข้อวัดปฏิบัติ ตั้งเป้าหมายเพื่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวศีลไม่ต่างกันแต่เป้าหมายที่ปรารถนาต่างกันอย่าลืมว่าสาวกทั้งหลายก็เป็นผู้ที่ตั้งความปรารถนาเพื่อตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าส่วนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายอาศัยการบวชในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีเป็นรากฐานแห่งการ ปฏิบัติต่อไปเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นเช่นกับพระพุทธเจ้าในอนาคตการท่านจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องศีลอย่างยกตัวอย่างว่าอะไรคือศีลบอกว่าเจตนาคือศีลเจตสิกคือศีลสังวรคือศีลอวีติกรมะคือศีลเนี่ยนะอันนั้นแหะคือตัวศีลท่านเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกรมะศีลแล้วเจตนาศีลนเป็นอย่างไรบอกว่าเจตนาของบุคคลผู้ตั้งใจเว้นจากความชั่วทั้งหลาย เว้นจากทุกโทษบาปกรรมทั้งหลายมีการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการเป็นต้นเจตนาเหล่านั้นเจตนางดเว้นเหล่านั้นเรียกว่าเจตนาศีลกับเจตนาที่ตั้งไว้เพื่อการประพฤติปฏิบัติประพฤติวัดเนี่ยนะถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ยังเป็นคารวา์อยู่ก็มีการประพฤติวัดดูแลพ่อแม่พันนชาดกทั้งหลายจะเป็นการสรรเสริญยกย่องว่า พระโพธิสัตว์ผู้เลี้ยงมารดาเนี่ยนะผู้เลี้ยงมารดาเลี้ยงบิดาผู้ตาบอดเป็นต้นถ้าหากว่าบวชเข้ามาแล้วก็ประพฤติอจริยวัตรอุปชายวัตรวัดในเจดีเรือนโพเป็นต้นเนี่ยนะจะมีการประพฤติวัดปฏิบัติโดยนิยต่างๆสรุปว่าการรักษาศีลของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายตามแนววิสุทธิมรรคไม่ได้รักษาเพื่อวิชาสามแบบสาวก ไม่ได้รักษาเพื่ออภิน ญ, ญาหกไม่ได้รักษาเพื่อปฏิสัมพิธาสีไม่ได้รักษาเพื่อให้เป็นเช่นกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะอัคขรสาวกไม่ได้รักษาเพื่อให้เป็นพระประเจกผุทธเจ้าแต่ท่านรักษาเพื่อปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวทีนี้ศีลของท่านนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเศร้าหมองแต่ว่าไม่เศร้าหมอง เรีว่าไม่ใช่กลุ่มหาณะพาคิยะหรือเปลือกกล้วด้วยบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเพราะท่านไม่มีความเศร้ามองแม้กระทั่งความคิดว่าศีลที่รักษานี้เนี่ยนะรักษาเจตนาศีลรักษาเจตสิกศีลสังวรศีลอวิติกมาศีลไม่ได้รักษาเพื่อราชสมบัติไม่ได้รักษาเพื่อจักรพัฒสมบัติไม่ได้รักษาเพื่อเทวะสมบัติคือไม่ได้รักษาเพื่อเป็นพระราชาเป็นมหาจักรพัฒน์ เป็นเทวดาไม่ได้ปรารถนาเป็นเช่นกับเท้าสักกะไม่ได้ปรารถนาเพื่อเป็นผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่เช่นกับพยมานไม่ได้ปรารถนาพรมแม้ในสุขติคือเป้าหมายชาัดเจนว่าสัมมาสัมโพธิญาณกุศลธรรมเหล่าใดที่เจริญกุศลธรรมเหล่านั้นจงเป็นไปเพื่อสัพพัญญุตยา น, นั้นจึงไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อสมบัติเหล่าใดแม้กระทั่งสมบัติในอบายทั้งหลาย เอาถามว่ามีคนตั้งความปรารถนาอยากมีสมบัติในอบายด้วยหรือบอกมีสมบัติของพญานาคทั้งหลายนี่บอกรวยมากมันอยากเป็นนาคที่รวยแบบนั้น น, น, นะนะบ้านเมืองใหญ่โตอยากได้สมบัติพญานาคอยากได้สมบัติของครุฑเป็นต้นอันนี้ไม่บอกว่านั่นน่ะสมบัติในเดรัจฉานไม่ต้องการบอกไม่ต้องการแม้กระทั่งเกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์จกักรพรรดิเทวดาอินพรหมยมยักษ์อะไรไม่ต้องการทั้งนั้นเนี่โดยที่แท้ศีลที่ท่านรักษาปรารถนา หรือย่อมน้อมไปเพื่อสัพพัญยูเนี่ยนะเป็นฐานรองรับสัพพัญญุตยานหรือเป็นอลังการอันยอดเยี่ยมของสัพพัญยูเนี่ยนะเป็นเครื่องประดับเป็นอลังการไปตกแต่งพระสัพพัญยูถ้าเปรียบสัพพัญยูเหมือนกับแสงไฟที่สว่างมากหาที่สุดไม่ได้นะเป็นไฟที่สว่างมากถามว่าจะต้องมีฐานใหญ่ไหม ที่จะรองรับดวงไฟดวงใหญ่อันนั้นได้จะต้องฐานที่รองรับนี่จะต้องยิ่งใหญ่มากศีลทั้งหลายเป็นคุณธรรมเป็นเครื่องรองรับสัพพัญญุตยานเหนะรองรับพระพุทธคุณทั้งหลายพันพระโพธิสัตว์นั้นจำต้องปราทถนารักษาศีลบอกว่าศีลของท่านยิ่งใหญ่ขนาดไหนบอกว่ายิ่งใหญ่ระดับล่างฐานเนี่ยนะรองรับล่างๆนี่ยิ่งกว่าเวจีสูงเกินกว่า ภวะกับพรหมพเพื่อจะรองรับสัพพัญญุตยานนั้นศีลที่ปฏิบัตินี้จึงเป็นอลังการที่ยอดเยี่ยมจนกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็อันนั้นก็ว่ากล่าวโดยสรุปตามเรียกว่าการปฏิบัติศีลของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งจารีตศีลและวารีตศีลเนี่ยนะทั้งศีลเป็นข้อเว้นกับศีลที่เป็นข้อปฏิบัติมุ่งการตรัสรู้เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ศึกษาปุพพะจริยาคุณเนี่ยนะปุพพะจริยาคุณข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์เพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราศึกษาไปเท่าใดเนี่ยนะเราจะมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจะรู้ว่าเป็นบุคคลที่ทาเพื่อเรานี่ทำจริงจริงโดย ทำด้วยศรัทธาทำด้วยเจตนาที่ดีทำด้วยเมตตาทำด้วยกรุณาเนี่ยนะถ้าเราไม่นับถือคนดีขนาดนี้คนดีอย่างนี้ไม่รู้จะไปนับถือใครถ้าเราไม่บูชาบุคคลเช่นนี้ไม่รู้จะไปบูชาใครถ้าไม่ปฏิบัติตามบุคคลเช่นนี้ไม่รู้จะไปปฏิบัติตามใครเพราะชีวิตของท่านอุทิศเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเวน้นจากความชั่วโดยประการต่างๆซึ่งตัวเองสามารถทาได้แต่ก็ไม่ทา แม้กระทั่งว่าเหตุการณ์บีบบังคับให้ทําชั่วแต่ก็ยังปกปักรักษาตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีอาศัยคุณงามความดีที่อยู่ในใจไม่ใช่เป็นคนที่สร้างสถานการณ์ขึ้นเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสถานการณ์ต่างๆเรียกว่าสร้างสถานการณ์ไม่ใช่แต่ว่าสถานการณ์สร้างคุณธรรมของท่านทุกอย่างท่านเก็บเกี่ยวคุณธรรมจากทุกสถานการณ์ สถานการณ์นั้นจะเลวร้ายขนาดไหนจะต้องเสียทรัพย์ปานใดจะต้องเสียชีวิต จ, จะต้องเสียบุตรภริยาเสียครอบครัวเสียทรัพย์สมบัติเสียทุกอย่างเนี่ยนะท่านก็สามารถได้คุณธรรมจากเหตุการณ์เหล่านั้นทั้นท่านเป็นคนที่เก็บสะสมคุณธรรมจากเหตุการณ์ตา่างๆจากสถานการณ์ตา่างๆเหตุการณ์มันจะเลวร้ายขนาดไหนท่านก็เก็บบุญกุศลได้เหตุการณ์ที่ดีเยี่ยมที่ขนาดคนหลงไหล พระองค์ก็อาศัยสถานการณ์เหล่านั้นเจริญบุญเจริญกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะอาศัยอำนาจที่มีอยู่อาศัยบุญบารมีที่มีอยู่น้อมเพื่อสร้างกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกุศลเหล่านั้นท่านบอกว่าศีลของท่านไม่มีผู้ใดยิ่งกว่าในเรื่องของศีลอีกแล้วกระอันนุตโรมไม่มีผู้ใดยิ่งกว่าในคุณคือศีลของพระองค์เพราะศีลของพระองค์สามารถที่จะนําออกจากโลกพร้อมทั้งเทวโลก แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้เกิดถ้าไม่มีบุญจริงๆเนี่ยนะไอาการที่จะช่วยผู้อื่นให้ออกจากวัตจทุกข์เนี่ยไม่ใช่เป็นของง่ายคล้ายๆกับว่าผู้ที่ออกจากทุกข์หรือผู้ที่จะบรรลุธรรมเนี่ยนะถ้าบอกว่าทรัพย์สมบัตินี้ยิ่งใหญ่กว่าที่ปไตยของพระเจ้าจักรพรรดินะอริยทรัพย์ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องมีบุญขนาดไหนสร้างจากักรพรรดิไม่รู้กี่หมื่นล้านองค์ได้สําสเร็จเนี่ยนะเพราะนั้นผู้ที่ หยิบยื่นสมบัติให้ผู้อื่นจริงๆเนี่ยจะต้องมีบุญบา ร, รมีขนาดไหนทีนี้ไอ้บุญในที่นี้เนี่ยไม่ใช่อย่างที่ว่าไม่ใช่สร้างสถานการณ์ให้ตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่สร้างคุณธรรมจากเหตุการณ์ทั้งหลายจนเป็นผู้ยิ่งใหญ่โดยคุณธรรมจนเป็นผู้ยิ่งใหญ่โดยศีลโดยสมาธิเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้มาดูโดยสมาธิเนคขมมะก็คือสมาธินั่นแหละนย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องของสมาธิเนี่ยจะกล่าวถึง ทุกโทษพิษภัยของวัตถุการรมและกิเลสการรมทั้งหลายเนี่ยนะมันใครที่จะเข้าใจข้อความเหล่านี้ได้ดีเนี่ยนะคนนั้นต้องคิดแบบพระโพธิสัตว์คิดหรือต้องคิดแบบพระพุทธเจ้าคิดคือเป็นคนที่คิดอะไรแบบมองการไกลเสมอไม่ใช่เป็นคนที่มองเห็นแค่ความสุขเฉพาะหน้าคือการบริโภควัตถุการรมทั้งหลายจริงอยู่ บริโภคแล้วมีความสุขเนี่ยนะดูเหมือนสบายเพลิดเพลินความสุขเหล่านั้นก็ไม่ได้ต่างอะไรจากติดยาเสพติดทั้งหลายเพราะว่าผู้ที่ติดยาเสพติดทั้งหลายเนี่ยถ้ามันมันทุกอย่างเดียวก็ไม่มีใครติดยาเสพติดแต่เนื่องจากว่าตอนต้นมีแต่ความสุขมีแต่ความหน้าเพลิดเพลินจนเด็กหลายหลายคนเขาบอกว่านี่คือสวรรค์ของเขาในตอนแรกนะพอติดแล้วไม่มีเงินซื้อแล้วมันก็เพี้ยนบ้าไปาก็บอกนี่นะรกของเขาว่างั้น ตอนต้นคือสวรรค์ที่ได้ติดยาที่ได้เสพยาความสุขเหลือเกินแต่ตอนท้ายบอกนี่มันนรกชัดๆว่างั้นตอนแรกเนี่ยนะมันดูดีเหลือเกินแต่ตอนสุดท้ายคืออะไรตอนสุดท้ายก็มีแต่ความเลวร้ายฉันใดเพราะว่าผู้ที่มองการไกลทั้งหลายเช่นกับพระโพธิสัตว์ถามว่าโดยพื้นฐานพระโพธิสัตว์มองการไกลแค่ไหนแค่ไหนแบอบกว่าสีอสงไขยแสนกับ ท่านรู้นะว่าท่านจะต้องอยู่นานขนาดนั้นทนอยู่ขนาดนั้นจะว่าทั้งอยู่ทนทั้งทนอยู่ทั้งทั้งคู่ด้วยกันเรียกว่าเป็นคนที่ไม่น่ายในสงสารทั้งทั้งที่เบื่อสงสารแต่ก็ยังอยู่อยู่อย่างนั้นแหละสี่อสงไขยแสนกับนัานมองการไกลมากเมื่อมองการไกลเนี่ยสำหรับคนที่เดินทางไกลๆเนี่ยสมมติว่าเดินทางไกลที่จะต้องใช้ทรัพย์มาก เดินทางไกลเนี่ยต้องใช้ซับเป็นสเสบียงทางเนี่ยยาวกับข้างทางเนี่ยนะมีโจรดักปล้นตลอดแต่เป็ น, ปนโจรแบบอะไรนะั่นรูดซับแบบเขาเรียกว่ามอมเมาก่อนแล้วค่อยค่อยเอาซับไปเนี่ยนะคล้ายๆก็ว่าเดินผ่านร้านร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็เอายาผสมยานอนหลับให้กินแล้วก็รูดซับไปหมดเนี่ยนะแล้วก็ปล่อยให้เดินทางต่อไปอชั้นใดเนี่ยนะผู้ที่เขาพิจารณาโทษภัยของกามทั้งหลายก็ลักษณะนั้น เหมือนกับว่าทางที่เขาจะเดินนี่มันทางไกลข้างๆรอบตัวโดยมากก็มีแต่อะไ ม, มีแต่คนที่คอยปอกลอกให้หมดอริยทรัพย์ทัานก็เลยต้องมาเห็นโทษของกามทั้งหลายไม่อย่างนั้นเดินทางไกลไม่ประสบความสําเร็จแน่เพราะอะไรเพราะว่าป้ายสินค้าข้างทางนั่นเอาไปโม้เต็มหมดทัพนะเลยนี่เดินทางไกลไม่ไม่ประสบความสําเร็จมาดูว่าวิธีการพิจารณาโทษของกามมาดูว่าท่าน ท่านคิดได้ละเอียดจริงๆเพราะการเกิดขึ้นแห่งกุศลจิตด้วยการออกจากกามและการออกจากภพเนี่ยนะเนคขมะคืออะไรเนคขมะคือกุศลจิตกุศลจิตที่มีกําลังมากเป็นไปบ่อยและเป็นตัวยางต่อเนื่องเป็นกุศลที่สามารถนําออกจากกามได้อะเป็นกุศลที่นําออกจากภพได้อะกุศลตัวนี้จะต้องยิ่งใหญ่ขนาดไหน จึงจะสามารถรวบรวมกุศลออกจากกามทั้งหลายออกจากภพทั้งหลายก็ว่าตอนแรกเนี่ยต้องทํำยังไงก่อนที่จะกุศลธรรมเหล่านั้นจะมีกําลังจึงสามารถเป็นคุณธรรมนําออกจากวัตถุกามนําออกจากกิเลสกามนําออกจากภพทั้งหลายเนี่ยเบื้องต้นต้องรู้จักโทษของกามเห็นโทษในเบื้องต้นก็คือเห็นโทษของกามทั้งหลายที่จะกล่าวต่อไป ขณะเดียวกันเนี่ยการเห็นโทษของกามทั้งหมดเนี่ยนะก็เพราะกรุณาว่าถ้าผู้ใดมอมเมาติดอยู่ในวัตถุ ก, กามช่วยใครให้พ้นทุกได้ไหมบอกเมาเแสฉมเมาตั้งแต่เช้าจดคําแล้วเลี้ยงเลี้ยงดูครอบครัวสำเร็จไหมดูว่าเลี้ยงดูตัวเองรอดไหมอย่าว่าครอบครัวเลยเอาตัวให้มันรอดก่อนเถอะมันก็ยากฉันใดผู้ที่เมาด้วยเมาใน วัตถุกรรมทั้งหลายก็ฉันนั้นเมาในรูปเมาในเสียงเมาในกลิ่นเมาในรถก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้สําเร็จจกะกล่าวไปยายถึงช่วยเหลือผู้อื่นเพราะฉะนั้นเห็นเลยว่าถ้าตัวเองมีความผูกพันหมกมุ่นอยู่ในวัตถุกรารมจะช่วยสัตว์อื่นให้พ้นจากชาติชรามรณะได้อย่างไรถ้าตัวเองเป็นผู้ที่มอมเมาอยู่ในวัตถุกรรมจะช่วยให้คนอื่นออกจากอบายได้อย่างไรจะนํา อั น, นั้นอย่างที่เราว่าสมัยใหม่ที่บอกว่าทําไมครูสอนศีลธรรมไม่ประสบความสําเร็จก็บอกว่าครูที่สอนมันขี้เมาหว่างั้นลูกศิษย์ก็เลยไม่ทําตามฉันใดเนี่ยนะบอกหลายๆแห่งเนี่ยเป็นลักษณะนั้นอย่างไรก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะผู้บอกผู้สอนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณธรรมฉันใดผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะผู้ที่เห็นโทษของภพผู้ที่ปฏิบัติได้ในคุณธรรมจริงๆ จ, งจึงจะออกจากภพได้ฉันนั้นเนี่ยนะ จึงจะชักนำผู้อื่นให้ออกจากภพได้มันจะต้องอาศัยคุณธรรมคือมีกรุณายางอย่างจริงๆนะมีกรุณาที่ที่แท้จริงและก็ดีเยี่ยมโดยอาศัยการปฏิบัติ ด, ดีของตนจริงๆจึงจะสามารถชักนำให้ผู้อื่นพ้นจากทุกได้แต่นั้นก็เป็นเรื่องของกรุณาและเป็นคุณธรรมที่เกิดจากปัญญานะนะนนเนี่ยนะตัวอีกครั้งหน้่งเนคขมะบา ร, รมีคืออะไรเนคขมะคือกุศลจิต เป็นกุศลที่นำออกจากกามเป็นกุศลที่นำออกจากพบโดยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายมีกรุณาเป็นสมุดฐานมีกรุณาเป็นเหตุใกล้ให้ปฏิบัติเหล่านั้นนั่นเองนี่ตอนแรกว่าใครที่จะเจริญกุศลได้บ่อยได้มากเนี่ยนะก็เหมือนว่าใครที่รวบรวมทรัพย์ได้บ่อยเนี่ยนะสมมติว่าแกรงงานมันเท่ากันแต่คนที่เก็บทรัพย์ได้มากก็คือคือใคร คือคนที่เห็นโทษของการใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็เห็นคุณของการเก็บรักษาฉันใดนี่ก็เหมือนกันคนที่จะมีการเก็บรักษาอาริยทรัพย์ได้ก็ฉันนั้นเนี่ยนะรักษากุศลได้ก็ต้องเห็นโทษของกามฉันนั้นว่ากามทั้งหลายมีความยินดีน้อยวัตถุ ก, กามเนี่ยนะมีการผูกพันด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มีมากมายนนะ โลกของวัตถุกรรมเนี่ยนะที่ใครผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวพันหมกมุ่นและเพลิดเพลินจะประสบสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างมากมายอย่างเช่นว่าวัตถุกรมคือสุราเนี่ยนะโทษภัยของการติดสุรานี่มีอะไรบ้าง<ม>ถ้ามีใจจิตใจหมกมุ่นกับวัตถุกรรมคือสุราถ้ามีจิตใจหมกมุ่นกับวัตถุกรรมคือเกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นต้นเนี่ยนะเขาบอกว่ามีอยู่เกาะหนึ่ง ภายในไม่กี่ปีเนี่ยนะตายเกือบล้างเกาะก็เหตุผลก็คือการเมสุมิชฉาจานมันระบาดมากเพราะนั้นก็โรคโรคโบราณเนี่ยนะเรียกว่าโรคกลุ่มโรคติดเชื้อกามาโรคมันติดพันกันสัมพันธ์กันตายเกือบหมดเกาะประาณนั้นเพราเหตุผลวันโทษของกามเนี่ยนะน้าปราถนาในเบื้องต้นหน้าเพลิดเพลินในเบื้องต้นก็จริงแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ติดตามมา อย่างมากมายเนี่ยนะพันธ์ก็เราว่ายินดีน้อยหน้าเพลิดเพลินเนี่ยน้อยเหลือเกินแต่ทุกโทษพิษภัยที่ติดตามมาเนี่ยมันมากอย่างหาประมาณไม่ได้นะนะพันสัตว์ทั้งหลายที่รับพิษภัยทุกโทษในที่เราเห็นเห็นถ้าเราเห็นเห็นความทุกข์เห็นความเดือดร้อนของสัตว์ทั้งหลายอ่านเขาเรียกว่าปรงใจเธอว่านั่นเป็นผลจากการติดในวัตถุกรรมที่เขาจึงได้เดือดร้อนขนาดนี้ ที่เขาทุกขนาดนี้ที่เขาลําบากขนาดนี้เจ็บปวดขนาดนี้ประสบแต่ทุกกองทุกนาหน้าขนาดนี้ก็เพราะการเป็นเหตุมีการเป็นปัจจัยแต่ว่าความเพลิดเพลินนิดเดียวแค่นั้นแหละแต่ว่าความทุกข์ที่เขาต้องรับเนี่ยทำไมมันขนาดนั้นเนี่ยนะขนดเดียวกันเนี่ยนะ เ, เกี่ยวกับโทษของกรมผู้ที่บริโภคกามโดยมากก็เป็นค า, ารวะไม่ใช่บันทัดชิด ตอนหลังบัประชิตที่เรียนแบบคารวาสก็ถือว่ากลุ่มคารวาสต่ยก็แล้วกันเพราะในเพศของคารวาสเหล่านี้เนี่ยไม่มีโอกาสในการสแสวงหาความสุขจากเนคขมมะคือบุญกุศลได้เคยได้ยินไหมคารวาสผู้สแสวงหารูปเสียงธรรมมาค้าขายเป็นต้นมีความสุขอยู่ด้วยกุศลอาจจะมีบ้างแต่ว่าแหมมันอาจจะหนึ่งในล้านอย่างเงี้ยที่มีความสุขอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายเรียกว่า ธุรกิจยิ่งใหญ่มากเสร็จ แ, แล้วกุศลจิตเกิดทั้งวันเนี่ยนะโอ้ใครที่ทำได้ก็คือคนพิเศษกว่าันแต่ว่าหายากเต็มทีพันคารวา ท, ทั้งหลายที่จะมีโอกาสหาความสุขในกุศลธรรมทั้งหลายหาได้ยากจะมีความสุขอยู่บ้างก็อะไรความสุขจากการเที่ยวดูวิวทิวทัศน์ใหม่ๆแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอาจจะได้ฟังเสียงเพราะๆฟังดนตรีหรือได้กลิ่นหอมได้ทานเลี้ยงรถอร่อย อันนะั้นหรือได้อาจจะมีบ้านที่ติดแอร์เป็นต้นอยู่อย่างสุขสบายเป็นต้นก็อาจจะมีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเท่านั้นแต่จะมีความสุขที่เกิดจากมหากรุศลนล้วนๆเนี่ยนะยาวๆเป็นกุศลที่เป็นสมถะและวิปัสนาเป็นความสุขในบุญในกุศลอย่างเดียวบอกหายากเนี่ยนะโดยมากก็เป็นความสุขที่เจือไปด้วยยาพิษพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสุขที่เจือด้วยยาพิษตลอดทั้นเรียกว่า อร่อยก็จริงแต่ว่าผสมพิษเนี่ยนะถ้าพิษเหล่านั้นมันกำเริบตอนปลายจะเป็นอย่างไรฉะนั้นคนที่จะเจริญกุศลธรรมได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะต้องเห็นเลยว่าคารวาเนี่ยนะมันยากที่จะหาความสุขในกุศลจะหาความสุขที่เกิดจากอกุศลเนี่ยพอได้ใช่เครียดเครียดเปิดเพลงฟังสักเพลงนึ้ เ, เขายังชั่วหน่อยเพราะงั้นตามต่อไปอีก น, นะหลายแห่งเนี่ยเขามาว่าเอ๊ะทไมเขาอยู่ได้แดดก็ร้อนก็ร้อน อาหารก็หายากความสุขของเขาคืออะไรรู้ไหมเสียงดนตรีเนี่ยนะเปิดสนั่นไปหมดเหงื่อท่วมแต่ก็ยังพอมีความสุขจากตรงนั้นอ่ะนะเสียงดนตรีเสียงสูงๆูงต่ําๆเสียงร้องโอดโอยหอยหัวอะไรก็ช่างเถอะแต่ว่าฟังแล้วมันมีความสุขสําหรับเขามากหลอกล่อให้เขาทนทุกข์อยู่ได้ในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันน่ยนะบางทีนะในอย่างเช่นเห็นกลุ่มคนงานกรรมกรทั้งหลายที่ทํางานเหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อตางน้ํา พอมีดนตรีคล อ, อนนิดๆหน่อยๆบอกโอ้ยมันสวรรค์ของเขาเลยแหละเนี่ยนะอย่าไปชวนเขาออกเด็ดข่าเขา ม, มีทางะชวนมานั่งเย็นเ ย, ย้เนี่ยเรียนอริยศาสตร์เธอบอกไม่เอาไอ้นั่นมันความสุขที่สุดสําหรับเขาแล้วเนี่ยนะหรือว่าถ้าตอนเย็นได้เมาบ้างฟังดนตรีบ้างช่างมีความสุขเหลือเกินเนี่ยนะนั่นแหละสุขสําหรับเขาแต่เป็นความสุขที่เป็นไปกับอกุศลเป็นความสุขที่มีโทษอยู่ตลอดเวลา เขาไม่รู้หรอกว่าเขากำลังสั่งสมความทุกข์ขนาดไหนตอนตอน้นหน้าเพลิดเพลินแต่ตอนปลายตอนปลายเนี่ยเขาจะทุกข์ขนาดไหนเขาไม่รู้ความที่เขาสายตาสั้นเขามองยาวๆไม่เป็นเาะฉะนนผู้ที่มีความสุขที่เกิดจากอากุศลเป็นสุขในเบื้องต้นแต่ตอนปลายเป็นทุกข์ไม่เหมือนความสุขที่เกิดจากเนคขมะความสุขในเนคขมะทั้งหลาย เบื้องต้นก็เป็นสุขเบื้องปลายก็เป็นสุขแต่เป็นความสุขที่คนบอดทั้งหลายโดยมากไม่นิยมเนนะเป็นความสุขที่คนผ่านทั้งหลายไม่นิยมนี่มูสัตทั้งหลายเนี่ยถือเอาคำของคนผ่านเป็นประมาณเช่นบอกว่าโอ้ศึกษาธรรมะเนี่ยนะคนผ่านตำหนิหน่อยก็เกรงใจคนผ่านพันชีวิตที่เต็มไปด้วยความเกรงใจของคนผ่านเกรงใจคนชั่วก็เลยตัวเองไม่มีความสุขในการเจริญกุศล เพราะคอยแต่หวาดระแวงว่าคนผ่านก็จะตำหนนะิกลัวคนผ่านจะตำหนิก็ียดว่าแครเกรงใจคนผ่านมากผลก็สรุปทบทวนนะว่าเป็นค า, ารวาสยากที่จะหาความสุขในกุศลไม่เหมือนกับบรรพชิตทั้งหลายโดยมากสา ม, มารถที่จะสแสวงหาความสุขบุญกุศลได้ทั้งวันเคยได้ยินไหมว่าเป็นค า, ารวาสและมีความสุขทั้งวันด้วยกุศ ล, ลจิต แต่ถ้าบรณประชิตถือว่าเป็นเรื่องปกติเนี่ยนะถ้าบัประชิตเหล่าใดไม่มีความสุขกับบุญกุศลแสดงว่าบรณประชิตคนนั้นมียทายาสัยคารวาสเนี่ยนะเพราะถ้าถ้าไม่มีความสุขอยู่ในบุญกุศลในสมะถะและ ว, วิปัสสนาก็แสดงว่าอนาคตบรณประชิตผู้นั้นจะเป็นคารวาสเพราะอะไรเพราะไม่มีอัจยาสัยแห่งบรณประชิตเนี่ยนะทีนี้ความอริยะอร่อยที่เกิดจากการบริโภควัตถุกรรมพระองค์บอกว่า ความอร่อยหรือความใคร่เนี่ยนะเรศอร่อยเหล่านั้นก็เหมือนกับลิม้มเลียหยาดน้ำพึ่งที่ติดอยู่บนคมมีดเรียกว่าน้ำพึ่งในมีดโกนเนี่ยนะแค่ว่าเลียแผลหนึ่งเข้าไปเนี่ยน ะ, อะตอนแรกไม่ไมคื อ, ค, อ, ค, อคือมันคมมากใช่ก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยบมีบาดแผลก็เลยคิดถึงแต่ความหวานพอกลืนความหวานหมดไปความคมขื่นทั้งหลายก็ตามมาเนี่ยนะ ลิ้นเนี่ยเป็นสองแฉกแล้วนนะคนที่เราคิดง่ายๆนะสมมุติถ้าไอความอุปมาตัวนี้นะถ้าใครเคยมีลิ้นแตกมั่งลิ้นพองมั่งลิ้นลิ้นเป็นแผลเนี่ยนะจะรู้เลยไหมกลืนน้าลายทียังมีปัญหาใช่จะพูดทีหนึ่งมันเจ็บทุกครั้งที่พูดแต่นะมันมีเจ็บทุกครั้งที่พูดของมาเคยอะไรนะไม่ใช่เคยอะกำลังเป็นด้วยซ้ำไปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพูดหนึ่งคำเนี่ยมันจะเจ็บหนึ่งที เจ็บนิดๆเอาจเจ็บมากเจ็บน้อยก็ช่างเถอะแต่ถ้าใครเป็นแผลในช่องปากเลยนะแล้วต้องพูดต้องคุยเนี่ยจะรู้เลยว่ามันจะเจ็บทุกครั้งที่มีการขยับขยับทางช่องปากฉันใดอ่าวัตถุกรามทั้งหลายก็ฉันนั้นอร่อยในเบื้องต้นแต่ว่ามันจะมีความเจ็บปวดอยู่ติดตามเรื่อยๆกับทุกเรื่องเลยนะมันจะรู้สึกเจ็บหรือไม่รู้สึกเจ็บก็ตามแต่มันมีความเจ็บอยู่ในในตัวซึ่งมันก็เป็นอยู่อย่างนั้น พันความอร่อยในวัตถุ ก, กามทั้งหลายความอร่อยในรูปทั้งหลายมีความเจ็บปวดผสมอยู่ด้วยความอร่อยในเสียงทั้งหลายก็มีความเจ็บปวดอยู่ด้วยเขาบอกว่าเออฟังเสียงเพลงมีความสุขมากเคยฟังว่านักร้องเคยมีความสุขมากเลยใช่ไหมชีวิตนักร้องคือชีวิตที่มีความสุขมากเลยใช่ไหมบอกไม่ใช่นักร้องคนหนึ่งเขาออกมาประชดประชันชีวิตอาภัพนักร้องกรร้องเพลงมาตั้งแต่มาตัวกระเปียกเดียวนะจนทุกวันนีย เขาเดือดร้อนมากเนี่ยนะเขาเดือดร้อนมันนักร้องที่ประสบความสุขมีไม่กี่คนที่เหลือเดือดร้อนกันเกือบหมดเลยที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะอะไรก็เพราะว่าความอรเด็ดอร่อยในสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นของที่ยั่งยืนและเดือดร้อนมันวันๆหนึ่งก็มาคิดถึงไอ้ความหลังครั้งเก่าแก่มีความสุขอยู่กับความฝันเนี่ยนะมีความสุขอยู่กับความฝันทั้นสิ่งเหล่านั้นอะ่ะมันมันไม่ใช่ของจริงแท้ มันก็เลยดูอร่อยในตอนต้นแต่ก็แผลติดตัวมาเต็มตัวไปหมดเลยนะสมสารมาตลอดเพราะเลียเลียหยาดน้ำพึ่งเนี่ยนะมันแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยปัญหาตามมาเยอะแยะไปหมดเลยคล้ายๆกับว่าจังที่เมาบางคนเนี่ยนะเมื่อมีความสุขตอนที่ดื่มเมาเนี่ยนะเสร็จแล้วก็เอะอะโวยวายทุกตีสางมาก็ตามจเนี่ยนะ สั่งมาเขาก็ฟองร้องแล้วก็ตามจ่ายอยู่นั่นแหละฉันใดวัตถุกรรมอื่นๆก็ลักษณะเดียวกันแต่ถ้าแบบนั้นคนมองเห็นแต่วัตถุกรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเนี่ยนะท่านหนึ่งก็ใช้คำว่าคุกอัลลมุลละไม่เนี่ยที่คนไม่เห็นเนี่ยนะแต่มันคุก แ, ลแหละเฮ้อวันหนึ่งที่เขาเอาไปเรียกไปทรมานเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเจ็บปวดจริงๆเนี่ยนะยังไม่ป่วยก็แล้วไปว่างั้นต่อไปอีกอย่างหนึ่งวัตถุกรรมเนี่ยนะ ทุกอย่างอ่ะมันตั้งอยู่กับความเศร้าหมองทั้งสิ้นมีวัตถุ ก, การมเหล่าไหนบ้างที่ไม่ฉาบทาด้วยตัณหาเนี่ยนะไม่ฉาบทาด้วยสมุทัยสัตว์ไม่ฉาบทาด้วยเหตุแห่งสังสารทุกข์มีวัตถุ ก, การมไหนบ้างมีไหมไม่มีมีวัตถุ ก, การมไหนบ้างที่ไม่ฉาบทาด้วยมิจฉาทิฐิเพราะโดยมากเนี่ยนะมิจฉาทิฐิบุคคลทั้งหลายก็ถือว่าการบริโภควัตถุ ก, การมไม่มีโทษ เาันวัตถุกรามนั้นจึงฉาบทาด้วยมิจฉาทิฐิโดยมากเพราะถือว่ากามไม่มีโทษเพราะผู้ใดที่ถือว่ากามไม่มีโทษจะมีอะไรนอกจากมีจิตใจที่หมกมุ่นอยู่ในกรมผู้ใดหมกมุ่นอยู่ในกามกามมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีมหาภูต ร, รูปเป็นเหตุใกล้แล้วมหาภูต ร, รูปเนี่ยนะธาตุดินเนี่ยนะใครรู้จักธาตุดินน้อยไปเนี่ยนะถ้าธาตุดินมันกำเริบเมื่อไหร่ก็เดือดร้อน ถ้ารู้จักธาตุน้ําเป็นอย่างดีถ้าธาตุน้ํามันกําเริบเป็นยังไงถ้ารู้จักธาตุไฟดีถ้าธาตุไฟมันกําเริบเป็นยังไงถ้าธาตุลมมันกําเริบธาตุทั้งสี่แต่ละอย่างมันกําเริบเนี่ยนะแต่ละอย่างนี่สร้างปัญหาทั้งหมดแต่มิจฉาทิฐิบุคคลทั้งหลายบอกว่าไม่มีโทษอะไรเนี่ยนะไม่มีโทษอะไรแต่ว่าไอ้มิจฉาทิฐิมันก็พาจมไปเลยทิฐิเป็นตัใจก็เกิดโมหะที่มีกําลังทั้งโมหะมันก็เคลาไปเลยเลยไม่มีโอกาสได้มีปัญญาที่จะรู้ว่า อะไรเป็นอะไรเนี่ยนะขณะเดียวกันวัตถุกรามทั้งหลายโดยมากเศร้ามองด้วยกายทุจริตเศร้ามองด้วยวจีทุจริตแล้วก็เศร้ามองด้วยมโนทุจริตเราถามหาดูว่วัตถุใดบ้างในโลกนี้ที่ไม่แปดเพื่อนด้วยการทุศีนเลยอนะฮะในรกระบวนการผลิตทั้งหมดตลอดสายจนได้ใช้สอยเนี่ยนะไม่แปดเพื่อนกับการ ทูศีลเคยพบเคยเห็นเคยได้ยินไหมเคยเห็นไหมว่ามีสิ่งหนึ่งนะไม่แปดเปื้อนกับการทูศีลมาเลยเคยได้ยินไหมมห ah าพูดในโลกนี้ยากเนี่ยนะเขาบอกโอ้เนี่ยแว่นตาที่ไม่แปดเปื้อนด้วยการทูศีลเลยบอกมากว่าจะเป็นแว่นตาเนี่ยนะผ่าลูกตามากี่คู่เนี่ยนะกว่าจะมาเป็นตัวยารักษาโรคแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยนะผ่านการทดลองมาเท่าไหร่กว่าจะเป็น เสื้อผ้าเนี e ่ยนะวงการเสื้อผ้าก็ไม่ไช่ว่าจะสุจริตอะไรมากมายเพราะฉะนั้นไม่ทุจริต PowerPoint, ด้วยกายกรรมกว็วจีกรรมไม่วจีกรรมก็โมนโนกรรมเขาเรียกว่า8ดเปื้อนด้วยความเศร้าหมองทั้งสิน้นความเศร้าหมองมี3าตัวเศร้าหมองด้วยตันหาเศร้าหมองด้วยทิฏฐิแล้วก็เศร้าหมองด้วยทุจริ ต, รตกรรมทั้ ง, งหลายพฉะนั้นวัตถุกรรมทั้งหลายมัน8เปื้อนด้วยตันหา8เปื้อนด้วยทิฏฐิแล้วก็8เปื้อนด้วยทุจริตทั้งความชั่วทางกายวาจาและใจ